ไปลดใจลดทำขณะก่อนจะลงรถไปที่ทุ่งสงนั้นได้เชิญให้คนโดยสารเอาถุงอาหารที่เอาไว้บนตะแกงนั้นให้เขาประเคีนเตรียมไว้แต่เนิ่นๆแล้วเพราะรู้จักผลทางอยู่เพราะข่าวขาลงไปภูเก็ตก็ได้ผ่านทางสายนั้นแล้วขณะที่ลงพักที่ทุ่งสงรอรถสงขลานั้นได้รีบฉันอาหารสี่ห้าคำเพราะสงสารสองผัวเมียที่จัดแจงอาหารง่ายอยู่ที่จังหวัดตรัง เหลือนั้นก็เลยเอาให้นายสถานีมีปัญหาว่ามีได้ตีตั๋วอีกดอกหรือมีได้ตีดอกเพราะตีจากจังหวัดกลังถึงสถานีบางกอกน้อยแล้วใครใครมาในรถขบวนนั้นก็ไม่ได้ตีตั๋วที่ทุ่งสงทั้งนั้นอีกไม่นานรถไปด่วนจากสงขลาก็เปิดวูธโพมาก็รีบขึ้นชั้นสองตามเดิมเขาหยุดอยู่ประมาณสิบนาทีก็วิ่งขึ้นกรุงเทพรถมาจากตรัง ก็วิ่งลงสงขาหันหลังใจกันรถไปวิ่งไปตามรางเหล็กภายนอกแต่มีรูปประขันนามประขันขับไปรถภาวนาก็วิ่งไปตามภาวนาติดต่อไปถึงสถานีต้นทางของโลกุตละก็คือสถานีพระโสดาบันสถานีที่สองก็คือสถานีพระสกตาคามีสถานีที่สามก็คือสถานีพระอนาคามีสถานีที่สี่ ก็คือสถานีพระอาหารหันต์แล้วไม่ตีตั๋วกลับมาอีกไม่เหมือนสถานีภายนอกและรถเหล็กรถไม้รถดินรถน้ำรถไฟรถลมภายนอกเป็นของที่ควรทบทวนพิจารณาทั้งนั้นนี้ฉะนั้นแล้วจะเป็นเดลัชชานคถาเพราะป่าลบเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องรถเรื่องลานักปราชญ์อ่านพบย่อมหัวลอกเป็นเหตุให้รู้จักภูมิจิตภูมิใจภูมิธรรมว่าอยู่ระดับใดด้วย อันนี้ก็น่าคำหนึง่งการเขียนการอ่านการพูดการทำลืมตนลืมตัวลืมใจลืมทรมีเมื่อเขียนอ่านพูดทำน้อยก็ผิดน้อยเมื่อเขียนอ่านพูดทำมากก็ผิดมากตรงกันข้ามเมื่อไม่ลืมตัวไม่ลืมใจไม่ลืมทำแล้วเมื่อเขียนอ่านพูดทำน้อยก็ถูกน้อยเมื่อเขียนอ่านพูดทำมากก็ถูกมากเ ม, มืองผิดเมืองถูกทั้งหลายย่อมเป็นเมืองขึ้นอยู่ที่เมืองใจ คือเมืองใจที่ไม่ประกอบด้วยสติปัญญาคือเมืองใจที่ประกอบด้วยสติปัญญาเมืองที่ไม่ผิดไม่ถูกและไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสองแห่งความผิดถูกนั้นก็เป็นเมืองขึ้นพระนิพพานแต่พระนิพพานมิได้บัญญัติว่าเป็นบ้านเมืองเลยเพราะพระนิพพานมิได้มาเป็นธาตุเฝ้าเอาความผิดและเฝ้าเอาความถูกและเฝ้าเอาบ้านเมืองอะไรอะไรทั้งนั้นลดกลอยที่จืดเพราะสูกแช่น้ําพร้อมทั้งล้างเสร็จจืดชืดแล้ว ลดกันและเปื่นก็ไม่มีอิสระจะกลับมาเป็นทาตอีกข้อนี้ย่อมเป็นของจริงอยู่แต่ไหนแต่ไรขาดตัวแม้ไม่เขียนอีกไม่อ่านอีกไม่พิจารณาอีกก็เป็นจริงอีกอยู่อย่างนั้นความจริงไม่หนีจากความจริงในชั้นนี้อีกละความจริงไม่หนีออกจากความจริงย่นลงสั้นที่สุดก็มีสองความจริงในโลกีหนึ่งความจริงในทางโลกุตตะละหนึ่งในทางโลกุตตะละขยายออกก็เป็นแปด ตามชั้นของมรรคและผลความจริงไม่หนีจากความจริงทางโลกีในส่วนทางดีขยายออกเป็นสี่ประเภทคือมนุษย์ที่เต็มภูมิไม่บ้าใบเสียจริตผิดธรรมดาสวรรค์เทวโลกพมลโลกแต่อย่าลืมว่าพระอริยาเจ้าปนอยู่บ้างก็มีเว้นอนุ ป, ปาทิเสสนิพานเสียส่วนความจริงไม่หนีจากความจริงของฝ่ายโลกีไปทางต่ำคือมนุษย์ที่บ้าใบเสียจริตสัตว์เดรัจฉัน สัตว์นรกเปรตทุกจำพวกแต่อย่าลืมว่าจำพวกเหล่านี้สร้างบารมีสูงต่ำกว่ากันเช่นพระเทวทัตจะได้เป็นพระปัจเจกช้างป่าลิ่ไยลจะได้เป็นพระปัจเจกเพราะได้รับรัฐพยากรแล้วจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าจะกล่าวตูว่าผู้เขียนเป็นบ้าอารมณ์ก็ดีแต่ผู้ที่บ้าแรงก็ยังมีอีกถ้าจะกล่าวเรื่องบ้าแล้วก็ขึ้นอยู่กับกิเลสจะน้อยมาก ถ้าจะว่าขึ้นอยู่กับจิตกับใจหน้าเดียวก็มิได้ความชัดใจที่ไม่มีกิเลสจะว่าบาย่อมไม่ถูกทำแท้เว้นพระอรหันต์เสียเพราะหายหลงหายบ้าโดยสิ้นเชิงแล้วละศจากทำเมาทำมัวไปแล้วแต่ก็ไม่ควรกล่าวตู่ว่าพระอริยะเจ้าเป็นบ้าจะเป็นบาปหนักเพราะเป็นคำหยาบโลนนับแต่พระโสดาบันขึ้นไปเพราะการกำหนดว่าบาต้องมีขอบเขตจะผิดสัมมาวาจาไปไม่รู้ตัว เวลาห้าโมงเช้าขึ้นรถไฟจากสถานีทุ่งสงพอมาถึงสถานีบางกอกน้อยก็สี่โมงเช้าของวันใหม่ลงจากรถไฟถามตำรวจที่ท่านา้ำตำรวจส่งข้ามเรือไปท่าพระจันร์สามล้อได้จูงรถมาลับบอกว่าขอบพระคุณอยู่แต่ไม่มีมูลค่าให้กพถือมูลค่าไม่ได้เขาตอบว่าไม่มีมูลค่าก็ไม่เป็นไรจะไปส่งกรผมก็ถือศาสนาพุทธกรผมอยู่อยุทยา ชสีนามสกุลบุญเหลืองบิดามารดาของกระผมก็นับถือศาสนาพุทธแล้วจะไปพักที่วัดไหนตอบเขาว่าไปพักวัดบรมนิวาขึ้นรถแล้วก็สนทนากันไปตามทางเขาพูดว่าไปพักวัดดวงแขเป็นยังไงตอบเขาว่าวัดดวงแขนั้นไม่รู้จักกับท่านผู้ใดวัดบรมนิวานั้นรู้จักพระมากอยู่มาพักแล้วสองครั้งเขาถามว่าจะไปทางไหนตอบเขาว่า จะไปทางสะพานยศเสแล้วแวะายวัดสามงามพักพุติสาเต่าแล้วเขาสังสรรค์ต่อไปว่าท่านอาจารย์มาจากที่ไหนครับตอบว่าภูเก็ตพังงาไม่ได้มาลวดเดียวหรอกวิเวกพักที่นั้นที่นี้มาเป็นเวลาสองเดือนแล้วพอมาถึงจังหวัดตรังโยมผู้ใจบุญส่งขึ้นรถไฟด่วนก็มาตกรถที่สถานีบางกอกน้อยตำรวจส่งขึ้นเรือข้ามฟากมา ก็บันดาลมาเจอคุณผู้ใจบุญอีกสามล้อพูดต่อไปว่าที่ว่าพระไม่มีเงินในกระเป๋าติดตัวนี้ขนของกระผมชูขึ้นหน้าสังเวชมากนักกระผมเห็นแต่พระมีเงินในกระเป๋าเยอะแยะ ก, กันพอถึงสะพานยศเสเจ้าตัวก็ลงเดินเพราะสังเวชเขาเห็นรถขึ้นมอสูงเขาบอกว่าไม่ต้องลงหรอกครับก็ฝืนลงและตอบเขาว่าอาตมานึกเกรงใจมากเมื่อคุณลึกซึง อาตมาก็ต้องลึกตามบ้างนิฉะนั้นแล้วอาตมาก็ไม่เป็นธรรมขณะนั้นบังเอิญมีได้มีรถคันใดผ่านมาในที่นั้นเลยพอถึงหลังเนินสูงแล้วจึงนั่งรถไปอีกสักครู่ก็แวะซ้ายไปถึงกุติสาเตา่าเธอยกมือใส่หัวให้พรเธอย่อยๆแล้วเธอก็กลับไปตามวิสัยของเธอแลขณะนั้นพระหมู่เพื่อนแลเห็นก็ลองถามว่ามาจากที่ไหนสายนักฉันเช่าที่ไหนละ่ะ ตอบว่าคนโดยสารรถไฟเขาเลี้ยงในรถถามว่าเอาเงินที่ไหนให้เขาตอบว่าตกรถที่ท่าพระจันทร์บอกเขาว่าไม่มีมูลค่าให้เขาก็มาส่งฟรีตามทุกทุกยากยากอยาก่ยางนี้แหละพวกพระมหาว่าเออดีละมาแบบนี้ก็ดีแล้วก็กราบไหว้าถามถ่ายกันจบเรื่องแล้วก็จัดที่พักให้แล้วก็จบกันต่างคนก็ต่างพักตามอิสระพักอยู่นั้นประมาณหกวัน ไปบินสะบาททางหลังวังสับประทุมและถนนเพชรบุรีไปองค์เดียวตามตอกตามซอยเวลาฉันก็ฉันพร้อมกันกับพวกมหานันแต่เราฉันมือเดียวเข้าในบาทก็เหลืออยู่มากเอาไว้ให้เด็กนักเรียนเขาพูดกับพวกท่านมหานันว่าผมมันเคยในบาทแล้วก็ต้องเอาตามเรื่องของใครของมันผมไม่ให้เข้าและกลับเหลือในบาทพอเท่าฟองไข่เป็ดดอกพวกคุณมหาชายช้อนกลางก็เป็นทางสะดวกดี เพราะมิได้เปื้อนน้ำลายกันผมเอาช้อนกลางตักใส่บาทผมแล้วก็เป็นแล้วกันพวกเรามาพบกันก็พาคอีสานดีดามานดาของพวกเราเลี้ยงมาก็เขาเหนียวนึ่งกับปลาล่านั่นแหละเป็นหลักส่วนมากการปลาลบกันง่ายเพราะพวกกุติสตาเต่านั้นมีแต่พระอายุพรรษาน้อยกว่าเราเว้นมหาผาไทยเสียแต่มหาผไทยก็คุ้นเชื่องกันแต่เราอยู่อุดรพอศสองสปดนั้นแล้ว เท่าที่สังเกต ด, ดูพฤติการมารยาทก็ดูว่าไม่ขัดข้องกับเจ้าตัวในเวลาพักอยู่เพราะมารยาทไม่มีพิรุษเรื่องพิเศษเมื่อระลึกขึ้นได้ก็ควรเขียนแทรกลงอีกคือหลวงปู่มั่นย่ำเขาลบปริยัตและพระเถรานุเถระฝ่ายปริยัตทำมากนักองค์ท่านเคยปลาล่ให้ฟังในยุคบ้านหนองผือสกล น, นครว่าองค์สมเด็จพระมหาสมณเจ้านี้พระองค์ท่านแตกฉานในธรรม ในพระวิไนมากมายนักหนาแท้แทแม้พระองค์เจ้าอื่นๆก็แตกฉานเหมือนกันถ้าหากว่าฝ่าย ป, ปริยัติธรรมไม่แปลออกเป็นภาษาไทยไว้พวกเราผู้เรียนน้อยก็ไม่รู้จักความหมายแต่ละชั้นแต่ละชั้นปริยัตปฏิบัติปฏิเวทจะแยกกันไม่ได้หนังเนื้อเอ็นกระดูกต้องอิงอาศัยกันอยู่ฉันใดก็ดีปริยัตปฏิบัตปฏิเวทก็อาศัยกันอยู่อย่างนั้นสัตธรรมสมอย่างนี้ จะแยกกันไม่ได้เลยท่านเจ้าปุณธธรรมเจดีอุดรธานีมีนิสัยทางเรียนเราก็ปล่อยให้เรียนแต่ก่อนลูกๆหลานๆเราว่าอยากจะเรียนก็มีเราได้ซื้อหนังสือให้ครบแต่เรียนไปแล้วไม่ตั้งใจไม่เป็นท่าจะเอาปฏิบัติก็ไม่ได้จะเรียนก็ไม่ได้เลยลาสิกขาไปเสียหลายหลายแต่ก็กรรมนิยมกรรมบันดาลของใครของมันกรรมและผลของกรรมย่อมเป็นเงาตามตัว ของผู้ยังท่องเที่ยวในสงสารเว้นพระนิพพานเสียเพราะพระนิพพานไม่ได้มาเป็นธาตุกรรมและผลของกรรมเหมือนคนคุมนักโทษพระนิพพานเป็นทำอันเหนือเหตุผลไปแล้วไม่ได้เป็นนายยามมาคอยเฝ้าเหตุเฝ้าผลพระนิพพานไม่ได้เกี่ยวกับรูปปั้นนา ม, มาขันเพราะรูปปั้นนามขันเป็นฝ่ายสังขารผ่านพ้นสังขารไปแล้วแม้จะบัญญัติว่าธาตุว่าธรรมว่าอายตนะว่าอินทรีย์ก็ตาม แต่ไม่ทรงอยู่ในกองนามลูกฉะนั้นจึงหาพระอาหารหันต์ในกองนามลูกที่เรียกว่าขันห้าไม่ได้กองนามลูกเป็นหนทางเดินเพื่อให้พิจารณาให้ถึงความเบื่อหน่ายคลายหลงกลับอีสานขันพักอยู่วัดบรมนิวาสพระมหาวิชัยจะส่งข่ารถให้ถึงอุดรแต่เจ้าตัวขอไว้ว่าส่งถึงอยุธยาก็พอแล้วเพราะนึกจะไปเที่ยววัดป่าท่านฉล่วยบ้าง ไปรถไฟธรรมดาก็พอแล้วไม่จำเป็นจะไปรถ ด, ด่วนเลยท่านจึงให้เด็กไปส่งขึ้นรถไฟสินค้าตู้ชั้นสามค่ารถสองบาทห้าสิบสตางค์ไปถึงอยุธยาพักที่อยุทยาสามวันพักอยู่วัดป่าท่านะหลวยบ้างเขาเอาไปพักกระตอบเล็กๆบ้างเขาพาไปดูพิพิธภัณฑ์ในพระบรมมราชวังเก่าอันมีพระพุทธรูปทาด้วยหินวัดป่าศูนย์กลางตรงหน้าอกคงได้ประมาณสี่สิบเซน ถ้าสอขาดลับล่าไปเกือนกาดอยู่ตั้งแต่สงครามโบราณเป็นอนุสร์ที่น่าสังเวชมากนึกละอาในสงสารเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมนุษย์ทั้งหลายย่ำเป็นผู้ใจถึงทั้งนั้นย่นใจถึงลงมาเป็นสองทางคือใจไปถึงทางก่อเวรก่อภัยหนึ่งใจไปถึงทางไม่ก่อเวรไม่ก่อภัยหนึ่งพระอริยะเจ้าใจถึงไปทางโลกุตตละต่ากว่านั้นลงมาการอวดว่าใจถึงเอาเป็นประมาณไม่ได้ ผลของกรรมที่ใจถึงย่อมตามผู้ใจถึงอยู่ทุกๆุกันให้ผลต่างๆกันตามลำดับของตัวเหตุตัวกรรมตัวพืชตัวกิริยาที่หว่านไว้ที่ปลูกไว้ที่สร้างไว้ด้วยความที่ว่าข้าใจถึงไม่ต้องปฏิเสธและไม่ต้องสงสัยเลยแม้จะมีผู้เชื่อกรรมและผลของกรรมหรือไม่ก็ตามจะมีผู้ถือพระพุทธศาสนาหรือไม่ก็ตามในโลกยุคไหนไหนก็ตาม กรรมและผลของกรรมก็นำสนองกรรมอยู่อย่างนั้นเพราะมะโนกรรมเป็นต้นสาเหตุของกรรมทั้งหลายย่อมให้ผลในภพนี้บ้างภพหน้าบ้างเป็นลำดับบ้างตามจิตที่ทําบ้างในชาติในภพสืบสืบบ้างตามส่วนควรค่าของเหตุที่สร้างขึ้นน้อยและมากไม่ว่าทางดีและทางชั่วขึ้นอยู่กับเหตุใจที่เป็นนายหน้าสร้างขึ้นเสมอๆใจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ก็ตามไม่เป็นปัญหาถ้าใจ และผลของใจไม่มีแล้วก็ไม่มีใครจะสงวนใจที่จะปฏิบัติใจผู้ปฏิเสธกรรมและผลของกรรมในพบนี้และพบหน้าและพบสืบสืบไปนั้นก็เหมือนคนตาบอดมาอววดดีสนเข็มกับคนตาดีก็มีความหมายและรสชาติอันเดียวกันผู้ที่เชื่อกรรมและผลของกรรมลงได้สนิทแล้วก็คือผู้มีตาปัญญาไม่บอดจะแลดูข้างหน้าข้างหลังซ้ายขวา ก็เห็นชัดได้ถนัดไม่มีเมฆหมอกมาบังเป็นสัมมาทิฏฐิเห็นชอบในชั้นนี้ได้เขานับวันจะก้าวหน้าในปัญญาชั้นสูงทุกใจในขันธ์าสันดานก็นับวันจะลดลงได้จะไม่เป็นทาตของความหลงของเจ้าตัวอยู่นานเนิ่นชาเป็นสติปัญญาทําลายความมืดไปแบบเก้าหน้าคันพัอยู่อยุธยาสามวันแล้วโยมเท่าแก่ก็ส่งขึ้นรถ ด, ด่วนเป็นเวลาห้าโมงเช้า ตู้ชั้นสองราคาโดยสารได้ลดลงครึ่งหนึ่งแล้วเหลือ48บาทกับอีกกี่สตางค์ก็ลืมไปตู้ลดเกาะกันเป็นทีวแถวพอถึงสถานีอุดรก็ประมาณสองโมงเช้ากว่ากว่าได้ยืนมาแต่อยุทยาจนถึงอุดรยัดเยียดกันมากเรียกว่ายืนภาวนามาก็ได้ตาใสาแจ๋วลงจากสถานีอุดรแล้วก็เดินสะพายบาทรัดใส่บ้านเดือเดินไกลประมาณ4ี่กิโลก็ถึงบ้านเดือ พวกลกลุกหลันเขามาใส่บาตรที่วัดบ้านเดือพักฉัำที่นั้นเป็นวัดของหลวงปู่อ่อนตาหรือวัดกรมทหารฉันอาหารเสร็จแล้วก็ลาท่านไปพักวัดป่าโนนนิเวศพักอยู่คืนหนึ่งฉันเช้าเสร็จก็ลาหลวงปู่พมมีไปพักบ้านกุดศักและบ้านขมิน้นบ้านละคืนก็กลับพักวัดป่าโนนนิเวศอีกลุ่งเชา้าหลวงปู่พรมมีชายให้ไปรับนิมนต์เขาทาบุญใกล้วัดโพธิสมพร ส่วนหลวงพ่อหลวงปู่พรมมีไปรับนิมนต์ถนนสายมากแก่งเขาทำบุญเลือนใกล้โรงพยาบาลเก่าเพราะวันนั้นเขานิมนต์สองแห่งจุกจิกท่านเจ้าคุณธรรมเจดีเมตตาพอข้าพระเจ้าไปถึงที่นิมนต์ตอนเช้าเข้าไปในที่ประลาพิธีท่านเจ้าคุณธรรมเจดีทอดสายตาเห็นองค์ท่านกวากมือให้ไปนั่งหนัวแถวหักมุมตรงหน้าขององค์ท่านแล้วผินหลังใสยมแล้วองค์ท่านถามว่า เธอไปพักอยู่ที่ไหนเรียนตอบว่าวัดป่าโนนนิเวศถามได้กี่คืนแล้วเรียนตอบว่าได้สองคืนแล้วครับผมถามเธอมาจากภูเก็ตพังงาหรือเรียนตอบว่าขอรับกับผมถามทําไมเจ้าจึงมาเสียเรียนตอบว่าเพราะสถานที่ไม่ค่อยจะสะดวกแผ่นดินคับแค่ขอรับกับผมถามทําไมเธอจึงไม่มาพักกับข้าเราตอบ เพราะเวลายุ่งจุกจุกจิตจิตในการเยี่ยมญาติองค์ท่านก็รุ้นาว่าเออเราจะให้เด็กวัดตามไปพร้อมในเวลาเสร็จนี้ให้เขาช่วยเอาบริขารมามาพักกับข้าแล้วก็หยุดถามแล้วองค์ท่านบอกว่านี่ช้อนเธอจงตัดเอาใส่บาทเธอทั้งข้าวทั้งกับเธอฉันในบาทตามเคยไม่ต้องเกรงใจข้าพระพุดงที่ไม่ยินดีฉันในบาตนั้นข้าเบื่อมากข้าพระเจ้าตัดเอาแต่สิ่งที่ไม่เป็นนา ทั้งข้าวทั้งอาหารก็ขนาดกําปั้นก็ไม่พอเพราะตั้งใจว่าจะมีให้บาเตเพื้อนเละเอะเทอะจะให้เหลืออยู่เพียงคําเดียวเท่านั้นพระเจระมีแต่หัววัดทั้งนั้นประมาณสิบว่าองค์ท่านเจ้าคุณหนองทายก็มาเจ้าตัวไม่เคยนั่งหักมุมอยู่หัวแถวกับเจ้าฟ้าเจ้าคุณก็ดูว่าขันขันแปดแปดดูว่าไม่มีการสวดพราหมณและให้พรชะลอยเราจะไปสายท่านทําเสร็จแล้วก็อาจเป็นได้ ญาติโยมที่อยู่ที่นั้นประมาณเจ็ดสคนเมื่อองค์ท่านบอกลงมือฉันก็ตั้งใจฉันเสร็จแล้วองค์ท่านก็ให้เด็กตามไปพร้อมเพื่อช่วยเอาบริขารมาวัดองค์ท่านนึกในใจว่าพ่ออุปัชาของเหล่านี้รู้จักนิสัยของลูกๆแล้วให้ความโกรุนไม่มีอุบายขู่เข็นแต่ประการใดเลยพูดเหมือนอย่างพ่อกับลูกๆหลานๆอย่างกันเองแบบคุ้นเชื่อมาแล้วหลา ย, ลายชาติ แต่เราไม่ได้ลืมตัวว่าจะคุ้นเชื่องจนเลยเถิดไม่เข่าลบเพราะธรรมดาผู้ปฏิบัติจะคุ้นเชื่องกับพระเถระเพียงใดก็ตามหน้าที่ของการเข่ารบก็ต้องคงที่จะเลียศพเลียปากเหมือนสุนัขเลียปากเจ้าของก็ไม่ได้ทำอันนี้เป็นธรรมทรงตัวมาแต่ดึกดำบรรตลอดอนาคตไม่เปลี่ยนแปลงไปไหนได้ท่านผู้ใดเอาออกใจก็ต้องถูกทั้งนั้นเป็นธรรมอันไม่ล่าสมัยอยู่ทุกการ แต่นักปฏิบัติมักอยากจะลืมตัวลืมใจลืมธรรมเมื่อคุ้นเชื่องกับบิดามานดาปู่ย่าตายายและอุปัชชาอาจารย์เข้าบ้างแล้วมักจะตีเสมอขาดคารวะเห็นมีอยู่ดา ด, ดื่นเต็มโลกขายไม่ออกบอกไม่ได้ชายไม่ฟังหลวงปู่มหาได้เตือนข้าพเจ้าไว้เสมอเสมอในคราวหนองผือหลวงปู่มันข้าพเจ้าจาได้ไว้ไม่ยอมลืมเลยจึงได้เขียนไว้ เป็นมรดกของลูกๆหลานๆผู้หวังดีในอนาคตนิ้ฉนั้นคำสอนตอนนี้อันเป็นเนื้อธรรมไม่มีกระดูกและกล้างคนเจือก็จะอันตรฐานหายไปจากโลกจะมีแต่คุณลบทคุลอาธิดาสะสมความเย่อหยิ่งจองห้องอวดดีพักอยู่วัดโพธิสมพรคืนหนึ่งแล้วท่านเจ้าคุณธรรมเจดีก็ส่งขึ้นรถยนต์มาลงสกล น, นครพักอยู่วัดสุทาวาสหนึ่งคืนก็เดินทางด้วยสีเทา มาพักวัดป่าบ้านโคกกับพระอาจารย์อุ่นหนึ่งคืนแล้วไปพักวัดดอยธรรมเจดีประมาณเจ็ดวันเอาฟืนช่วยหลวงปู่กงมาอยู่บ้างลาออกจากนั้นก็ไปพักวัดป่าบ้านนาโศกอยู่ประมาณเจ็ดวันมีเนีนโสบ้านนาโศอยากจะไปห้วยทรายด้วยจึงพูดกับเนีนว่าถ้าเนีนอยากไปจงไปทีหลังอย่าได้ไปพร้อมกันเพราะจะทับผมข้าคล้ายกับข้ามายักยอกเอาเนนไปด้วยเนีนกล่าวว่า อยากจะไปศึกษากับพระอาจารย์มหาบัวที่วัดป่าห้วยใายได้ยินแต่กิตติศัพท์มาหลายปีอยากรู้อยากเห็นวัดบ้านนาโศกในสมัยนั้นมีหลวงพ่อมิ่งอยู่ที่นั้นกับเนนสององค์คือเนนดากับเนนโสจึงปลาลกกับหลวงพ่อว่าหลวงพ่อผมมาพักที่นีเป็นกรรมอันไม่ดีแล้วเนนโสจะไปกับผมจงห้ามเนนโสช่วยกันผมม่ได้ชวนมิได้มีนโยบาย นอกในลึกตื้นอันใดกับเนนโสเพื่อแยกแยกให้เนนโสไปด้วยผมรู้เห็นและปฏิบัติตามคัมภีพระพิสุทธิมักอยู่ว่าไม่ควรไปเกี่ยวกล่อมเอาพิกษุสั ม, มเนนของท่านผู้อื่นไปตามตนและไปปฏิบัติตนจะเป็นอาบัติทุกกฎหลายๆตัวต่อเมื่อส่งพิกษุสั ม, มเนนนั้นคืนให้อาจารย์เดิมของเขาแล้วจึงแสดงอาบัตทุกกฎในส่วนนี้ตกผมย่อมเคารพพระวินัยส่วนนี้อยู่นะครับ ไม่ว่าไปพักสำนักใดๆผมย่อมระลึกเห็นและปฏิบัติพระวินัยส่วนนี้อยู่ไม่ทำแบบปากว่าตาขยิบเลยขณะผมขึ้นรถไปมีคนโดยสารมากก็จริงก็เรียกว่าคนเดียวพระบรมศ า, ศาสดากล่าวยืนยันแล้วว่าการเดินทางไกลคนเดียวถ้ามีหมู่ในรถในเรือมากก็ตามถ้าไม่คุ้นเชื่องกับใครพอที่จะปากศพปากไ้ได้ก็เรียกว่าไปคนเดียวมาคนเดียวฉะนั้น วิสาสาปรมายาตีความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งจะากเป็นเครือญาติสปานใดก็ตามถ้าไม่คุ้นเคยกันต่างคนก็ต่างอยู่ไม่สนิทคิดเชื้อแล้วความอุ่นอกอุ่นใจในระหว่างทั้งสองฝ่ายก็กลายเป็นโมฆะก็เท่ากับว่าลายญาติลายมิตรไรความอุ่นใจแต่ทางปรมามัดก็ให้หวังพึ่งตนเองเสมอเสมอเนนโสตอบว่าครูบาอาจารย์มีได้ลอลวงผมไปด้วยประการใด ถ้าหากว่าครูบาอาจารย์ล่อลวงผมไปด้วยแล้วผมก็เห็นความไม่เป็นธรรมของครูบาอาจารย์หยิกผมก็ถอนศรัทธาไม่อยากไปอีกแม่ตัวของผมก็อายุสิเกแล้วย่ำสนใจพิจารณาอยู่ทุกทุกด้านแล้วผมก็บอกตรงอยู่แลว้วว่าอยากจะไปเรียนปฏิบัติอยู่กับครูบาอาจารย์ผู้มีชื่อเสียงหลวงพ่อมิ่งจะถือว่าข้ามกายอิหนาละอาใจก็ดูว่าจะไม่สมเหตุสมผล หลวงพ่อมิงก็เลยอนุโมทนาพราะได้พูดถึงทรรมอันมีเหตุผลแล้วถึงห้วยายกราบหลวงปู่มหาตื่นขึ้นเป็นวันใหม่ฉันเสร็จเรียบร้อยก็กราบลาหลวงพ่อเตรียมเดินทางโยมจะส่งขึ้นรถมุกดาหารก็ไม่ยอมไปเพราะกว่าจะเดินทางถึงบ้านต้องจึงจะได้ขึ้นรถสายอุบลแล้วไปลงมุกดาหารแล้วจะเดินแต่มุกดาหารถึงห้วยายยิ่งเป็นเรื่องใหญ่โตนัก เดินลัดไปทางบ้านดงหม่อนก้านเหลืองเสียดีกว่าแล้วโยอมก็ไปส่งสองคนไปส่งถึงบ้านแจง้งสวรรค์แล้วก็กลับต่อแต่นั้นก็ตั้งหน้าเดินตรงข้ามบ้านโพนแดงข้ามบ้านดงหม่อนก้านเหลืองข้ามห้วยบางไทรไปพักใกล้บ้านสงเปื่อยที่ทุ่งนาแห่งหนึ่งอยู่กลางดงมีเสียงนาว่างๆอยู่หลังหนึ่งก็อพอดีกับค่าพักนอนที่นั้นและมีเสียงนาอีกหลังหนึ่งอยู่ไกลกันประมาณสิบเส้น เจ้าของเขานอนอยู่ประจำเขานอนเฝ้าของเขาไปขอตักน้ําที่บ่อของเขามาไว้ลังหน้าส่วนสงนั้นสงแต่ห้วยบางสายแล้วเขาเล่าว่าเถียงนาหลังที่พระคุณเจ้าพักนั้นสองสามวันมานี้เขาพ้นกันที่นั้นเขาถูกพ้นแล้วเขาก็ย้ายเข้าบ้านเดิมบ้านสงเปืยส่วนพวกขาน้อยก็จะย้ายเข้าบ้านเดิมเหมือนกันพักอยู่ที่นั้นภาวนาก็สงบเงียบดีคงหลับนิดเดียวก็สว่างเป็นวันใหม่ ไปบินสะบาด ท, ที่เถียงนานั้นได้ข้าวคนละปัน้นกับอาหารพอดีกับข้าวความจริงแล้วข้าวก็ดีอาหารก็ดีเขาก็ตามไปส่งอีกอยู่สงสารเขาไม่เอาของเขาไว้มากเลยพราะสังเกตเขาไม่ใช่คนรวยหาเช่ากินค่ําเอาไว้ปั้นเดียวใหญ่กว่าไข่เป็ดบ้างก็เป็นบุญอันมากแล้วให้อนเขาย่อๆแล้วก็ฉันฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกประการก็ลาไปเขาบอกทาง แล้วก็ตั้งหน้าภาวนาเดินข้ามบ้านนาคําบ้านตากแดดเข้าบ้านหนองเอี่ยนทุ่งแล้วก็เดินทางตามทา ง, ทางหลวงพอถึงห้วยายก็มืดพอดีจุดไฟองหลวงปู่มหาก็อยู่ในศาลากำลังเทศระและแม่ชียอยู่ท่านทักว่าท่านล่ามาแล้วท่านประกาศว่านี่แหละเขียงเช็ดเท้าพระอาจารย์ใหญ่มั่นองหนึ่งกราบนมัสการองค์ท่านแล้วก็ถามไขทุกประการตกลงได้นอนอยู่ที่ศาลา พระกุติเต็มได้เลียนองค์ท่านว่าถ้าผมจับไข้ามาแต่บ้านหนองเอียนทุง่งเพราะกำแดดมาร้อนๆแล้วฝนก็ตกลงมาอีกลมจัดเปียกตัวหมดแล้วจับไข้ขึ้นทันทีทั้งเดินทั้งไข่ผ้าเปียกจนแห้งกับตัวเดี๋ยวนี้ก็ไข่ยอยู่ขอรับคันลุ่งเจ้าเป็นวันใหม่ก็ข อ, ขอนิสัยรู้สึกเบาใจที่ได้มาอยู่กับองค์ท่านได้พบกัลยาณมิตรอีกย้อนคืนหลังมาปลาลบคุณเพ่งคุณสีหา ที่ได้เคยอยู่ด้วยกันในยุคหนองผือพอข้าพเจ้ามาพักวัดป่าสุทธาวาสคุณเพ็งคุณสีหาพอได้รับทราบข่าวว่าข้าพเจ้ามาถึงวัดป่าสุทธาวาสจะไปหาพระอาจารย์มหาบัวขณะนั้นคุณเพ็งอยู่กับหลวงปู่ฟัน่นคุณสีหาอยู่กับพระอาจารย์วันก็พากันชวนกันไปหาพระอาจารย์มหาบัวเพื่อจะได้จําพรรษารวมกันอีกเพราะเคยได้อยู่ร่วมกันมาแล้วในยุคหนองผือ รู้จักนิสัยใจคอกันแล้วจะปฏิบัติกันสะดวกสมัยนั้นเป็นเวลาฤดูเดือนพฤษภาคมข้างแรลมหลังวิสาขาบูชาสองสีเก้าหกแล้วพระอาจารย์มหาได้ปาลารบรับหลังกับหมู่ว่าผมไปอยู่กับหลวงปู่มั่นเสนาสนะเต็มหมดองค์ท่านได้พาหมูทำกุฏิให้ผมอยู่มาบัดนี้ผมจะได้ทำกุฏิให้ท่านล่าอยู่ละผมเป็นเวรกับองค์หลวงปู่ในตอนนี้อีกแล้ว ไช้เวีไปเสียแล้วได้รีบทํากุติมุงหญ้าปูฟากอีกหลังก็เสร็จไปโดยเร็วได้ให้อาจารย์สิงห์ทองไปอยู่แล้วได้สับเปลี่ยนหลังอื่นให้ข้าพเจ้าไปอยู่แต่อยู่ใกล้พระอาจารย์มหาไปทางทิศเหนือนั้นกุติที่ปลูกใหม่อยู่ใกล้พระอาจารย์มหาทางทิศใต้สา ม, มเณรโสให้อยู่ข้างใกล้ลงไปปีนั้นมีพระสิบเอ็ดลูกสา ม, มเณรสี่องค์คือหนึ่งพระอาจารย์ผู้เป็นหัวหน้าสองพระอาจารย์สม 3. พระอาจารย์สิงห์ทองสี่หลวงพ่อนิมห้า้าพระเจ้าหคุณเพียงเจ็ดคุณสุภัตต์แปดคุณเพลงเก้าคุณศรีหาสิบคุณลีสิบเอ็ดคุณสว่สดเนีนสี่องค์หนึ่งเน้นน้อยสองเน้นน้อยอยีกสามเน้นบุญยังสี่เนีนโสปฏิปทาของหลวงปู่มหาภาธรรมเหมือนสมัยยุคหนองถือหลวงปู่มั่นทอะสมัยห้วยใราย แขกโยมยังไม่มาการบวชพระบวชเมนุถ้ามีขึ้นก็เดินด้วยสีเทา้าไปบวชมุกดาหารต้องนอนทางคืนหนึ่งที่สองไปนอนมุกเช้าชส่ำเสร็จก็บรรพชาและอุปสมบทเสร็จแล้วออกเดินทางด้วยสีเทา้านอนข้างคืนกลางทางอีกดินสบาดเช้าเสร็จส่ำเสร็จเดินทางต่อจึงถึงวัดป่าบ้านห้วยายกองทุกเดินทางเป็นอย่างนี้ทุกวันนี้ไปไหนไหนก็ไม่ได้เดินด้วยสีเทา้า พห้าหกเจ็ดแปดกิโลอะไรเลยแต่ด้านข้อวัดปฏิบัติชุดเก่ากับชุดหลังนี้พร้อมทั้งจิตใจจะเป็นอย่างไรนั้นก็ข อ, ของไฟของมันตามธรรมชาติจะตัดสินลำเอียงเข้าข้างตัวเลยก็ไม่ได้และประวัติยุคห้วยใยก็เป็นยุคที่พระอาจารย์มหาตีและเข็นพระเนมโดยไม่ได้เลือกหน้าเหมือนกันแต่อย่าลืมว่าสมัยบ้านห้วยายในยุคนั้นในศาลาลงฉันยังได้ใช้กระโนกระบอกไม่ไผ่บ้านอยู่นะ แม้อยู่ตามกุติเป็นส่วนมากก็เหมือนกันน้ำหมันกาดก็มีเพียงปีละสองติบผ้าที่จะทำปลายจีวรก็เหลืออยู่หมดวัดเพียงปีละไม้สองไม้เท่านั้นมูลราคาในวัดทั้งหมดรวมกันในวัดบางปีก็ร้อยสองร้อยเท่านั้นบินสบาทก็มีแต่หมกหอ่อตกลงในบาทเป็นส่วนมากฉันในบาททั้งหวานทั้งข้าวปลอมไม่ได้ขโมยน้ําแกงใส่โจกแก้วเลยเว้นแต่น้ํามะพร้าวเป็นบางพร้าวเท่านั้นนม โกโก้กาแฟมาห่างๆบุรีเขามาห่างๆปลาลบมาทำไมจะเอาไปพระนิพพานด้วยหรือปลาลบไว้เพื่อให้กุลบุตรยุคสุดท้ายคำหนึ่งจะได้ไม่ลืมตัวในสมัยวัตถุนิยมหลูหลาเพราะเกณฑ์กิเลสจะหลูหลาขึ้นด้านเสนาสนะก็กั้นใบตองและพลางเป็นส่วนมากพระอาจารย์มหาก็ยังอยู่กุฏิฝากและมุงยากประตูหน้าต่างก็ทาเป็นงวงฝาแถบตอง ผลักไปมาหรือเปิดออกแล้วก็เอาไม้ทําด้านทําความเพียรมีเวลามากกว่าทุกวันนี้เพราะยังหนุ่มอยู่หลวงปู่มหายิ่งปรับเปลี่ยวมากกว่านี้พวกลูกศิษย์ที่ได้ไปหุ้มหลวงปู่บ้านตาดในยุค ป, ปัจจุบันนั้นองค์ท่านอนุโลมที่สุดอย่าว่าองค์ท่านดุเลยเพราะวัตถุอะไรก็บริบูรณ์หมดแล้วล้างมือเปิบเอาเท่านั้นเพียงลงทุนรักแอบไปมาเท่านั้นถ้าหากว่า แขกไม่มาหาครูบาอาจารย์ชุดเก่าแล้วจะให้แกกไปหาผีที่ไหนอีกก็ไม่ได้น้ำห้วยหนองคลองบึงบางไหลลงสู่ทะเลและมหาสมุทรก็มีทั้งน้ำใสและน้ำขุ่นทั้งสกปรกและสะอาดตลอดถึงหมู่สัตว์น้ำนานาชนิดตลอดทั้งเพชรพลอยที่อยู่ในท้องมหาสมุทรทองแดงทองเหลืองบีบุกตะกัวทองคำก็ต้องขึ้นอยู่กับท่านผู้มีวิชาปัญญาจะเลือกเอาได้ ใช้ประโยชน์จะไปเพ่งโทษทะเลและมหาสมุทรก็ไม่ได้อีกละ